ภิกษุอยู่ปริวาทวิกลจริตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาทเกิดวิกลจริตปริวาทของภิกษุผู้วิกลจริตนั้นใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นหายวิกลจริตให้ปริวาทเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้น